เพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นนับถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดกันอยู่มากมายและได้เปรียกกันดังที่กล่าวมาฉันขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลกิทั้งหลายได้นำปัญานิพิจณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคาว่าที่ขึ้น